สำหรับวันนี้ที่ทำการบันทึกคงเป็นวันที่5เมษายน2521เมื่อผ่านปรานบุรีมาแล้วก็เป็นเมืองพงเมืองกุยบุรีทั้งสามเมืองนี้ก็ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณถ้าเราจะมาคุยกันทั้งประวัติเล็กน้อยก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนัก เพราะว่าเรื่องเมืองน่นสามนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เรื่องสําคัญมันก็ไม่มีมากจะมีมากก็เป็ น, นเพียงว่าประวัติประวลามประราของโบราณเท่านั้นก็ขอผ่านไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าพูดกันเรื่องทรัพยากร อ, อันนี้มีมาก ในประเทศไทยทั้งหมดมีทรัพยากรมากที่เราไม่สามารถจัดเก็บทรัพยากรในครบถ้วนได้ต่อไปก็เข้าถึงเมืองประจวกเมืองประจวกคีรีขันแปลว่าเป็นเมืองที่มีกองภูเขามากเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญประวัติศาสตร์จุดหนึ่ง ครือว่าจากเพชรบุรีมาผ่านหัวหินแล้วก็เข้ามาถึงเมืองปราณบุรีเมืองพงและเมืองคุนบุรีแล้วก็ามาถึงเมืองประจวบ <c oughs> ในสมัยหนึ่งมาสงครามโลกครั้งที่สองก็จัดว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ญี่ปุ่นขึ้นที่นี่ถ้าเราจะพูดกันถึงประวัติศาสตร์ก็คงจะยุ่งมากไป ข้ออะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ปรามปราแล้วก็มีชาวมีนักเขียนเขาเขียนไว้มากแล้วก็ขอผ่านไปมาออกจากเขตเมืองประจวกก็ดิ่งตรงมาจังหวัดชุมพรชุมพรจังหวัดชุมพรอันนี้ต้องคิดอยู่นิดหนึ่งเพราะว่ามาเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพร ก็ต้องย้อนคิดไปถึงหัวหินเพืาะ ว, ว่าหัวหินได้สร้างประวัติขอกระวัิความเป็นมาไว้มากเกี่ยวเนื่องกับชมพรือเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแล้วเท่าไรจะไม่ได้สิบเจ็ดสิบปดเกาจะไม่ได้นักได้เทินทางมาที่ชมพรแล้วก็ในช่วงกลางในพักที่หัวหิน ตอนนั้นแหละบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ได้ทราบประวัติสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านพักของสื่อสารทารอ า, ากาศที่หัวยหินได้ทราบข่าวว่ามีเขตของประเทศในเขตของประเทศไทยเรามีน้ํามันมากเพราะว่าในคืนนั้นได้พักอยู่เนื่องในว่ามาจังหวัดภาคใต้ กลับไปได้สองวันออก็เดินทางมาใหม่เพราะว่ามันขาดอยู่แค่จังหวัดชุมพรตั้งใจจะวัดจังหวัดชุมพรแต่พอถึงประจวบทีดีขันก็รู้สึกว่าปวดที่ส์อย่างหนะักเพและเป็นไข้ให้เมย์ขับรถกลับไปนอนอยู่ที่โหดหินเวลากลางคืนปรากฏว่าท่านเยอรมสื่อสารฮ่ากาดเวลานั้น คือท่านพลอากาศโทมอมรายวงเสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารเวลานี้ท่านไปเยี่ยมคุยกับท่านพอสมควรการป่วยคราวนั้นปรากฏว่าต้องไปนอนพักจุูที่โรงซ่อมรถสักครู่หนึ่งแล้ว เ, เดินทางกลับมาทักคุยกับท่านเจ้ากรมพอสมคนเวลากลางคืนก็เข้านอ น, อนดึกหน่อยเข้านอนก็นอน เวลาเข้านอนก็ปรากฏว่ามีคนคนใหญ่ถ้าทางสูงกว่าประตูเวลามันมืดจะเห็นเป็นนุ่งดำใส่ดำไปหมดเดินเข้ามาทางประตูแต่ไม่เปิดประตูเข้ามาถึงข้างประตูเสื้อข้างที่นอนเธอ ก, ก้มลงหยิบหมวกหมวกลุกนี้สมัยก่อนเขาเรียกหมวกหมวกไหม้สับประรด เห็นแกนจิตโมจีได้ถามว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าตามปกติผมพักอยู่ในห้องนี้แต่ว่าคืนนี้ท่านมาผมจะเป็นอยู่ยามข้างนอกพรชายคนนั้นเดินออกไปแล้วก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเข้ามานั่งคุยผู้หญิงนี้มีมากด้วยกันแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรูปร่างท้ว ม, มรู้สึกว่าอย่าเป็นหัวหน้าคนทั้งหมด เธอเข้ามายกมือไหว้ไหว้เหมือนกันแต่งตัวสวยงามเธอก็มาบอกว่าพวกเธอเป็นชาวไทยและก็เป็นคนไทยโบราณแต่ว่าเวลานี้เป็นนางฟ้านางสวรรค์กันหมดแล้วเธอคุยให้ฟังว่าตามที่ประวัติศาสต์เขียนบอกว่าคนไทยมาจากประเทศจีน แล้วเข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยหลังพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าทรงบัติเช่นแล้วในโลกไม่จริงแต่บอกว่าไม่จริงพวกกลุ่มของเธอนี่แหละเป็นกลุ่มแรกที่มาจากเมืองปาเมืองปาเขาบอกว่าเป็นชาวจีนทั้งหมดน่ไม่ใช่ความจริงมีชาวไทยอยู่มากได้หากินเรื่อยๆลงมาผ่านประเทศจีนผ่านอินเดีย แล้วก็ผ่านทางพม่าเข้ามาทางมริดลงมาทางจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งอาชีพประกอบกันเป็นกลุ่มๆจะเรียกว่าตั้งเป็นประเทศก็ไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มๆ้ล็กๆกลุ่มหนึ่งของคนไทยสมัยนั้นก็มีสองร้อยคนบ้างสามร้อยคนบ้างพันคนบ้าง ที่ถึงสองพันคนก็ ม, มีอยู่เป็นเกาะเกาะความเป็นอยู่ก็อยู่ในความเป็นสุขเพราะว่าไม่มีใครมารบ ก, กวนเวลานั้นคนน้อยกว่าภูมิประเทศนี่เป็นเรื่องยืนยันของหญิงชาวสวรรค์ที่อ้างตัวบอกว่าเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์จริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของผี พ่อไม่ขอยืนยันก้าวันดาลูกท่านหลายที่มีกำลังจิตประกอบไปด้วยศรัทธามีบารมีครบถ้วนทันน้งสิบประการมีจิตใจหวังเสื่งพนิพพานเป็นอารมณ์จงไิสูน์ดูเมื่ออารมณ์เข้าถึงจุดนั้นแล้วก็จงทราบว่าเวลานั้นพ่อไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติเป็นแต่เพียงว่านอนทำใจสบายให้นว่างจากอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความหลง จิตเป็นขาลมใจเป็นสุขแบบเบาๆจิตในเวลานั้นยังอยู่ในช่วงของอุปจาระสมาธิในเบรกการหนึ่งการเห็นก็เป็นการสแสดงของท่านพวกนั้นไม่ใช่พ่อตั้งใจจะเห็นการเห็นนี่มันได้สองอย่างสําหรับคนที่เขาได้ที่ปีกุญานเขาบังคับการเห็นได้ต้องการจะเห็นใครที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ถ้าท่านที่ไม่ได้ทิพยคุยานแต่ถ้าว่าท่านพูดต้องการให้เห็นจะมาพูดมาคุยด้วยก็เห็นได้เหมือนกันด้วยอนุภาพของเทวดาเรีอบพร้อ <c oughs> มจไว้ว่าการเห็นเป็นชินนี้ฉะนั้นท่านคนปากดีที่บอกว่าพระมหาวีระชอบอดิตโตดเดช ท, ท่านไม่มีความรู้อะไรเลย <c oughs> เป็นอันว่าท่านพูดนั้นไม่ได้ประสีภาษาเรื่องนี้เสลยนี่พ่อไม่ได้นินทาเขาจงอย่าถือเรื่องนั้นมาเป็นครูคนประเภทนี้คือถื่นถือมาเป็นครูลูกของพ่อทั้งหมดก็จะต้องลงนรกไปตามๆกันเพราะว่าท่านโบดนั้นยังนินทาคนอยู่นี่ท่าจะดีได้ยังไงไอนี้ไม่ใช่ลินทาท่านนะเกรงว่าลูกของพ่อจะเป็นอย่างนั้น เมื่อท่านคุยให้ฟังถึงทรัพยากรต่างๆในเขตตอนใต้นียังมีอีกมากว่าถึงตอนใต้ตั้งแต่เพชรบุรีไปจนกระทั่งสุดปลายเขตแดนแดนจุดระหว่างไทยกับมาเลเซียจุดหนึ่งที่เป็นเขตไทยต่อมาเลเซียจุดนี้เราต้องคิดจุดนิดหนึ่งว่ามีดินแดนอยู่ส่วนหนึ่ง คิดกันว่าเดิมทีคนจะเป็นภาคพื้นของแผ่นดินไทยแต่มาเพราะอาศัยผู้ทรงอำนาจวาดแผนที่คลุมจุดไว้จุดหนึ่งต้องคิดแต่ว่ามันจะจริงไม่จริงเพียงใดก็ตามแต่มาเลเซียเขาว่าเป็นของเขาได้จุดนั่นแหละมีผู้ก่อการร้ายมากมีโจนแบ่งแยกดินแดนบ้างมีโจรจีนบ้าง มีผู้ก่อการร้ายบ้างและก็มีพวกผู้ร้ายบ้างได้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพราะคนทั้งหลายพวกนั้นเขามีเจตนาอย่างนั้นพ่อไม่เชื่อเพราว่าจุดนั้นเป็นแหล่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดของภาคภาคใต้ <c oughs> ไม่ใช่มุนแฟมมันเป็นทองคำ ทองคำทำไมชาติที่ขุดขึ้นมาได้แล้วมันเป็นทองคำที่มีค่ามากพ่อคิดว่ามาเลเซียเขารู้แล้วก็คงจะขุดทรัพยากรพวกนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ของเขาที่พูดนี้ไม่ได้พูดเพราะอาศัยจะจใ้ไทยเรากับมาเลเซียลบกันเพียนแต่เพียงว่าเพอผื้นแผ่นแผ่ น, ผนที่ของแผ่นดิน ในเขตชนกันนั้นมันไม่แน่นอน <c oughs> ถ้าไปเรื่องของป่า <c oughs> ถ้าล่าเส้นไปล่าเส้กันมาเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรภายใต้ภาพพื้นดินนี่เราก็มองไม่เห็นรวมความว่าท่านหญิงท่านหลายเหล่านั้นท่านก็ชี้ให้มองดูจุดต่างๆจะมีท ร, รัพยากรภายในพื้นแผ่นดินของประเทศไทย พ่อมองดูด้วยม่ายของเธอเธอบรรดาในเห็นเห็นแล้วก็ตกใจคิดว่าโอหนอประเทศไทยเป็นเมืองทองจริงๆ <c oughs> มีทรัพย์มหาศาลอย่างนี้ก็น่าจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเรายังไม่รักไทยแท้ ที่พ่อว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องของชาวตามประเทศเส้ยหมดคนเราไปเรียนมามากจะไม่อยากจะทําอะไรให้ปรากฏว่าเป็นผู้มีความสามารถแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนไทยเราพัฒดีขึ้นมามากแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเริ่มปล่อยอิสรภาพในการคิดคน้นคว้าและก็เริ่มมีการสนับสนุนที่มีความสําคัญมาก มาพูดกันถึงว่าหญิงผู้นั้นจะเล่าสู่ให้ฟังถามว่าพวกนี้ท่านจะไปชมพอนใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เธอจึงเล่บอกว่าไปชมพอจะได้ข่าวน้ำมันเพราะสูนในการสายการเดินน้ามันจะออกจากหลังต้นท้องชมพอคือในเขตก่อนๆที่ชมพอหน่อยหนึ่งเดินไปในพมา่าเข้าเขตพมา่าไปประมาณสามสิบกิโลเมตร ก็จะเข้าเขตถึงจุดที่มีน้ำมันมันพผยพุ่งขึ้นมาเป็นหนองน้าพู้ชาวก็เังอิสระช้อนไปใช้น้ำมันได้ทันทีให้จุดไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องไปกลัน่นแต่เป็นป น, น้ำมันประเภทเนื้อหยาบคือคล้ายกับว่าเป็นน้ำมันกิโลแต่มีสีแดงจุดไฟลุกแต่ว่าเป็นควันหน่อย พ่อคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำมันแบบนั้นเราก็น่าชื่อใจคนโบราณเขามีความเข้าใจกันในเรื่องนี้สหรับต่อมาเซนเขบอกสายการเดินของน้ำมันจากมาริดมีคนเขาบอกว่าน้ำมันไม่สามารถจะทะลุภูเขามาได้พ่อก็แปลกใจเหมือนกันตาผีบอกว่ามาได้ มาแล้วก็มาชนจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาธจังวรุไทัยธานีตอนนี้เริ่มเป็นปากอ่าวออกนครสวรรค์บิงลงกรุงเทพเทอว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามันไี่อย่ลอยู่ลึกอยู่ตื้นต่างกันเมื่อมาถึงจุมพรปี2517ได้รับคำํำพยากรไว้จุดหนึ่งขณะที่ทำการบูชาพระ ได้ยินเสียงบอก ว, ว่าเจ้าแถากรรมเก่าของมึงมาถึงแล้วมึงจะต้องเดินทางทั่วประเทศเวลานั้นพ่อมองไม่เห็นจริงๆว่าความจําเป็นที่จะเดินต้องเดินทั่วประเทศมันจะมียังไงสําหรับคนอย่างพ่อพ่อไม่มีคนมีความสําคัญอะไรโด่เฉพาะ อ, อย่างยิ่งจะเดินเที่ยวเล่นมันก็ไม่ไหวทุนรอนมันก็ไม่มี <c oughs> ยิงได้ถามนั่นว่าเหตุผลมันเป็นยังไงท่านก็บอกว่ากรรมเก่าของมึงมาถึงสมัยหนึ่งมึงเคยร่วมสร้างประเทศชาติไปเพื่อไทยอยู่เป็นสุขเวลานี้ประเทศที่มึงทําไว้กําลังจะมีภัยเข้ามาทําลายดะนั้นมึงจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของประเทศไทย ถามว่าทาคนเดียวเลยประเทศมันใหญ่ก็ต๊อบเล็กๆส่วมหลังเดียวยังทำคนเดียวไม่ได้ดันก้บอกว่าไม่ใช่คนทุกคนของคนไทยจะรวมใจกันรักษาความเป็นไทยแต่ว่าเองก็มีความสำคัญจุดหนึ่งเรียว่าทุกคนต่างคนต่างทาแต่กรุ่มของเองจะเยอะใหญ่ายายสักหน่อยหนึ่งมีคนร่วมมือมากทั่วประเทศแต่ว่าไม่ใช่ทุกคน แต่ทิ้งอะไรก็ดีเราก็อย่าวางคนของเราเราไว้แต่ในจุดตนจุ ด, จดแบบฉบับที่ทำมาแล้วก่อนหน้าพระเจ้ารามคำแหงก่อนที่พระเจ้ารามคำแหงมหาราชจะยึดเขตประเทศไทยภาคใต้ทั้งหมดเจ้าก็เป็นพระแบบนี้เดินดงพงไพรมารวบรวมกำลังใจของคนไทยไว้ก่อน เมื่อจอมบอกพิธีนสอนพระเจรารามกำแหงมหาราชเดินทัพเข้ามาจึงมีการยึดเป็นโดยสะดวกคําว่าโดยสะดวกไม่เคยใช่แต่เจ้าทําแล้วคนทั้งหมดมันถึงก็ยกมือยอมรับไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสร้างกําลังใจให้มีความเข้าใจว่าเวลานี้คนไทยเราตั้งประเทศเขตต้นนครขึ้นแล้วให้รวมคนไทยกันขยายนาเขตคนไทยปกครองคนไทยเองจะมีความสุข เมื่อพูดตึงเชจุมพรก็ต้องคิดชมพรก็ดีประจบพิริขันก็นดีกุยบุรีปราณบุรีเมืองพงเพชรบุรีมองลงไปประภากใต้พื้นปฐพีตามที่แม่หญิงได้ชี้พ่อตกใจโรครักทั้งทองคำธรรมชาติทั้งเพชรนิ่งจินดาทั้งแร่ธาตุที่มีค่าน้ำมันมาก เป็นอันว่าทรัพย์สมบัติที่ปีเป็นทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็มีมากเป็นทรัพย์ธรรมชาติก็มีมากดีใจที่เมืองไทยเป็นเมืองทองพ่ขอเขาผ่านไปถึงเมืองสุราษฎร์ธานีเมืองนี้ต้องคิดไอ้เมืองสุราษฎร์ธานีนี่แล้วเราก็เลี้ยวไปกระ บ, บี่ฮะเมื่อเลี้ยวไปจังหวัดกระ บ, บี่ แล้วต่อไปเราก็ไปไปอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชสำหรับกระบี่ปสายเดียวกับภูเก็ตตรังพัทลงุงตอนนี้มีอะไรบ้างใครจะปลนเป็นมกคุเทศนำทางถามนิดสำหรับพี่ช้างสายหน้าว่าตอนนี้ยกเรื่องราวขอให้แม่กัญญา ย, ยอดนาเร สีสุพรรณบุรดดีสีโสภาคอ๋อใครนะน้องหญิงเลยอ๋าเป็นแม่สีเลยสุพรรณวดรีสีโสภาคอ่ารบว่าไปเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองมีอาถรรพ์เมืองกระบีเมืองโพ ก, ก็ตเมืองพังงาเวลานี้กลายเป็นเมืองมีอาถรรพ์ ทั้งนี้เพาะอะไรก็เพราะว่าคนต่อคนฟันต่อฟันลิ้นต่อลิ้นที่มีความชิงกันจนเป็นปกติแต่ก็ที่น่าเสียดายที่คนไทยในที่นี้บางพวกเห็นเก่ตัวมากเกินไปนี่เราก็รวมนครศรีร้าไม่ได้ก็ไมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มี บางพวกไม่ได้ใช้ปัญญาที่ดีเพื่อยึดกําลังกําลังใจของคนไว้ในอํานาจของตนกําลังใจที่จะยึดให้คนเป็นคนร่วมกันนั่นก็คือความดีต่อความดีไม่ใช่มาสงสัยสิ่งอะไรกั น, กนไม่ใช่จะใช้อํานาจอํานาจที่เราจะใช้ให้ดีก็จริงๆก็ต้องเป็นอำนาจได้จากความดี ต่อมาแล้วก็มารวมทั้งหมดจังหวัดทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างเฉพาะจังหวัดโปเก็ตจังหวัดนี้ต้องคิดมีเพชรที่มาจากแร่ที่มีความสาคัญคล้ายนิวเคลียร์มีมากแร่อย่างอื่นก็มีมากถ้าแร่ประเภทนี้เราจะงัดขึ้นมาได้แล้วมันมากมายเหลือเกินแล้วก็มีแร่ดีบกุก แร่ดีบกเวลานี้ที่เขาเอาขึ้นมามันก็ติดแรกที่มีความสำคัญขึ้นมาด้วยช่วยเกื้อกูลแบกบุคคลพ้นได้ประโยชน์แต่เราก็น่าเสียดายที่เราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแรกไม่มีโอกาสจะรู้จักแร่ประเภทนี้เิ่นของดีเป็นของเลวเสียเมรยกาศของดีหมดเราก็บกเราก็ทิ้งไป นอกจากนั้นเขตตะมันใหญ่ติดอยู่กับเกาะโกเกตก็มีมากแหลงใหญ่มากเป็นทะเลเทือกยาวถ้าเราเจาะน้ำมันจุดนี้ได้จะมีความหมายสำคัญดึงมาใช้ทท่าไรเท่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าจะใช้ประศรีพันปีน้ำมันตรมนี้มันยังไม่มีความโรสึก ยังไม่มีความรู้สึกว่ามันจะหมดลดลงไปสำหรับรับน้ำเมืองละครศรีวราดนันไซเวลานี้เรื่องใหญ่สำคัญมันก็จะเกิดขึ้นอีกคือภูเขาที่มีสภาพเหมือนภูเขาศูนและมีแร่หมือนแฟรมซึ่งเป็นแร่แร่ที่ ม, ม, มีราคาแพงมากเกิดขึ้นในภูเขาทั้งโลกภูเขารูกนี้ชื่อว่าอะไรพ่อไม่รู้จัก ไม่อยากจะรู้จักแต่ก็เข้าใจว่าภูเขาลูกนี้จะเป็นเมืองมรณะอีกเมืองหนึ่งซึ่งทางราชการถ้าไม่สนใจไม่หาทางป้องไกกันไว้ซ่ก่อนมันก็จะมีประเภทแบกเขา้าศูนย์เขา้าศูนย์นี่ก็แปลกมีเจ้าของเหมืองไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเดิมทีคนมากดยี่สิบนาทีต่อสามพันบาท ต่อมาก็มา20นาทีตัว 30,000 บาทเวลานี้ขึ้น20นาทีตัว 300,000 บาทเสื้อนอนกินเวลานี้เขาส่นก็ยังมีเป็นทรัพยากรคับข้างต่วยการที่ได้แรมมากๆนี่าภากหลวงไปไหนประเทศไทยน่าจะรวยที่เราต้องคิด และเขา้ลูกหนึ่งที่เกิดมาที่พ่อกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าทางบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่หาทางป้องกันแร่ก็จะขยายตัวออกมามากขายไปเป็นแบบแร่เทียนทางรัฐจะไม่ได้ทางรัฐเองก็จะไม่มีส่วนได้ค่าภาคหลวงนี่ละบรรดาลบรักทั้งหลายที่ผีและเทว ด, ดาท่านบอกว่าถ้าคนไทยยังดีไม่พอ ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่จะขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้เพราะขึ้นมาแล้วมันก็ไปอันตรายกับคนไทยคนไทยจะต้องฆ่ากับคนไทยเพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญแต่บุคคลส่วนกลางคือเงินส่วนกลางจะไม่เข้ากับเงินภาคหลวงฆ่าภาคหลวงมันไม่ได้หน้าเส้นใดไม่หลุดรัก น่าเสียดายทรัพยากรที่มีอยู่ในการกร่อนนี่อันนี้ไม่มีใครคดสร้างต้องถือว่าเป็นบุญบารมีของท่านของไข่ของคนอยู่ในภาคพื้นนี้ที่ควรจะได้แต่ถ้าจะได้ขึ้นมาบไราย น, นก็หมายว่าคนไทยต้องเป็นคนดีการมาถึงเมืองต้านครศรีธรรมราชชนะของเราก็ได้พักที่สถานีตำรวจ ตะเวนชายแดนทุ่งสงรายกฏว่าท่านผู้กํกกดดก า, กากับพั น, นตำรวเอกสุดินการร้อยตํำรวจเอกยุทธนาถ้าพัญญาของท่านธำนตรวเอกสุดินให้ความอปการะเป็นอย่างดีเพราะท่านผู้นี้เป็นผู้มีความสนิทสนมและก็เป็นคนดีเอาจริงเอาจังต่อการงานแต่ได้ว่างานทุกอย่างโลกุกลัก จะดีคนเดียวนั้นมันไม่ได้จะต้องมีคนอื่นเห็น อ, อกเห็นใจเห็นประโยชน์เห็นเหตุเห็นผลงานของประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของทุกคนก็เป็นเราะเหตุนี้สําหรับต่อนี้ไปสําหรับเมืองสุรา ธ, ธานีเป็นเมืองฐ า, านเพราะเวลานี้ยุ่งมาก ยิ่งมากมีคนที่พูดไม่รู้ภาษากันอยู่เยอะเป็นคนไทยแต่พูดไม่รู้ภาษากันการเดินทางต่านเอกจากชุมพรถึงสุราธา น, นีเข้ากระ บ, บีไปทุ่งสงไปเมืองนครศรีธรรมราชเราไปได้ชมพระมหาวิหารทีอพระเจ ด, ดีย์และวิพิธภัณฑ์หลังจากนั้นก็ออกเดินทางกลับ ก่อนที่จะเดินทางกลับที่ชมนั้นชมอยู่นั้นแล้วก็เจอของแปลกประหลาดคื อ, อคนที่แต่งกายคล้ายสา ว, วากขององค์สมเด็จพระบรมโลกระ น, นาดสามท่านติดตามดูพ่ออย่างจิตที่ไม่เป็นมิตรจนกท่างทุกคนต้องคิดว่าเ อ, อ๊ะท่านพระสามองค์นี้เป็นพระประเภทไหนเป็นเหตุให้สงสัยจนกระทั่งท่านผู้ใหญ่อดีตกงศุลของ ฮ่องกงของคนไทยที่ประจำฮ่องกงถ่ายภาพเขาไว้เป็นที่น่าเสียดายที่พาะกาสาพัทิองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัดาญยกย่องว่าเป็นโพลชัยของพระอราหันต์แต่ก็กลับเป็นเช่นนี้เป็นได้อรบรรดาลูกรักทังหลายสําหรับเทปนัน่นนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยว่าเวลามันหมดเทปยังเหลือแต่เวลามันหมด ไอ้รับไว้รับฟังกันเอาด้านหน้าคือเทปด้านต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอหยุดเพื่เพียงเท่านี้ขอวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลซ้อมบูญปุณผลจะมีได้ลูกรักทุกคนสวัสดี